อ๋อเลยอย่าไปบังคับมันนะมันอยด่ขมันเองไม่เป็นไรบางทีเราไปจงใจดูเคร่งเครียดเกิดไปนะดูให้สบายดูสบายสบายกว่านั้นเช่นให้กิเลสมันเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจงใจจ้องไว้นะถ้าเราคอยดูว่าเมื่อไหร่จะคิดเราคอยตั้งจ้องเงี้ยจ้องเดี๋ยวก็ปวดหัวต้องทำเล่นๆ น, นะทำสบายสบาย เออนั่นแหละใจเราไม่เป็นกลางเราไม่ได้ฝึกเพื่อละอากูศลนะเราฝึกเพื่อให้เห็นว่าจิตที่เป็นอากุศลเกิดแล้วก็ดับไปห้ามก็ไม่ได้จิตที่เป็นกูศนเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันรักษาไว้ก็ไม่ได้ฝึกเพื่อให้เห็นตรงนี้ตั้งเป้าตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติให้ถูกซะก่อนแล้ง่ายถ้าตั้งเป้าผิดจะยากเช่นตั้งเป้าว่าทำไงจิตจะไม่มีอากุศลเลย ทำไงอกุศลจะต้องดับทันทีที่รู้อเงี้ยตั้งเป้าเอางตั้งเป้าอย่างนี้ไม่ดีนะตั้งด้วยกิเลสไม่เป็นไรอะไรก็ได้รู้ไปนะอะไรก็ได้เราต้องการเห็นแค่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นนะไม่ได้ต้องการความรู้ความฉลาดอะไรหรอก เพน้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องค้นคว้าเลยอย่างได้เลยงั้นมันจะซอฟต์แลนดิ้งหรือมันจะหล่นโครมเลยช่างมันถ้ามันซอฟต์แลนดิ้งแล้วใจเรารู้สึกแปลกดีชอบอนะไรเงี้ยรู้ว่าชอบหรือสงสัยเฮ้ยทำไมคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่ากระทั่งความสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปี่ความดีใจความเสียใจความสุขความทุกข์ ทุกอย่างมาแล้วไปหมดเลยต้องการเห็นแค่นี้เองไม่ได้ปฏิบัติเอาดีนะเอาดีจะทุกอย่างคนดีเรปฏิบัติให้เกิดปัญญาปัญญาของเราก็คือความเข้าใจความเป็นจริงว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเรารุ่นแต่ผ่านไปทั้งสิ้นอย่างความกโกรธผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ว่าห้ามโกรธนะมไม่ใช่ว่ากโกรธแล้วต้องหายเร็วๆไม่ใช่ ต้องการเห็นความจริงเท่านะั้นว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแล้วมันไม่ดับทาําไงอยากดับไหมอยากดับรู้ว่าอยากความอยากเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันตัวความอยากเองงั้นตั้งหลักให้ดีถ้าตั้งเป้าหมายผิดเคยจะทำพลาดแล้วแค่ระวังเป้าผิดเลยจะเดินผิดด้วยนักปฏิบัติส่วนใหญ่คิดว่าทําไงเราจะฝึกจิตของเราให้ดีถาวรให้สุขถาวรเต้องการอันนี้ แต่จริงจิตไม่มีคําว่าถาวอนนะถาวรขัดกับคําว่าอนิจจังอยากฝึกให้จิตเป็นสุขมันก็ขัดกับคําว่าทุกขังอยากบังคับมันให้ได้ก็ขัดกับคําว่าอนัตตาเมื่อเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงกายนี้ใจนี้นะไม่เที่ยงหรอกเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันจะปล่อยวางาะปล่อยวางมันพ้นทุกข์นั่นพ้นทุกข์เพราะปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะไปฝึกบังคับมันจนสําเร็จ คนละเรื่องกันนะค่อยๆเรียนการปฏิบัติเพื่อจะฝึกจิตให้ดีให้สงบเนี่ยเรียกว่าสมถะการปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจจนปล่อยวางได้เรียกว่าวิปัสสนาครล่านกันเพราะ ง, งั้นต่อไปเวลากิเลสเกิดจะทํายังไงเออรู้เฉยๆนะแล้วถ้าใจไม่เฉยลราทําไงใช่ใชตอบตุเอออย่างนี้ค่อยน่ารักหน่อยประเภศ ดีฉันสู้ตายค่ะไปตายเลยตายแง่แง่เลยสู้ไม่มีทางสู้ชนะกิเลสนะไม่มีทางหรอกกิเลสมันเก่งฉลาดที่สุดเลยบางคนบอกว่าจะหลอกกิเลสนะวางแผนใหญ่เลยจะหลอกกิเลสมีแต่ถูกกิเลสหลอกมันฉลาดของคุณนะค่อยฝึกไปหายใจเพื่อจะรู้สึกตัวลองปรับอย่างนี้นะหายใจไปเรื่อยๆรู้สึกไหมบางทีเราหายใจอยู่จิตเราก็หนีไปที่อื่นเคยเป็นไหม ก็ให้รู้ทันว่าจิตเราหนีไปนะหายใจไปบางทีจิตเราก็เข้าไปเพ่งลมหายใจไปเป็นไหมรู้จักเพ่งไม้มของคุณติดเพ่งนะตอนนี้ยังเพ่งอยู่เลยมันจะแข็งแข็งขึ้นมานะงั้นจิตเราไปหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้ทันนะหายใจแล้วจิตหนีไปที่อื่นเราก็รู้ทันหายใจไปแล้วจิตมีปีติเราก็รู้ว่ามีปีติมีสุขก็รู้ว่าสุขจิตนิ่งๆรู้ว่านิ่งๆ จิตสายไปสายมารู้ว่าจิตสายไปสายมาจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราซ้อมด้วยการหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตเมื่อเรารู้ทันจิตแล้ ว, ลวต่อไปเราลงสนามต่อสู้กับของจริงละนั่งหายใจอยู่ก็คล้ายๆเราเข้าคลายซ้อมมวยเราเป็นที้พอเราซ้อมมวยชํานาญเราจิตใจเราเป็นยังไงเรารู้ทันออกมาอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละลืมตาขึ้นมา เห็นเพื่อนเราเดินมาเราดีใจเรารู้ทันแล้วจิตมันดีใจคุยกับเพื่อนแล้วใจมันหนีคิดอะไรไปเพลินไปเนี่ยใจมันหลงไปเรารู้ทันว่าหลงไปเห็นมาบ้าวิ่งมาใจเรากลัวเรารู้ทันว่าใจเรากลัวเราฝึกหายใจแล้วก็รู้ทันใจเรื่อยๆต่อไปพอเรารู้ทันจิตใจชํานาญเราออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยเราก็จะรู้ทันจิตใจตนเองในทั้งวัน ก่อนนอนไม่พาสวดมนต์ทำสมาธิอย่างที่เคยทำหายใจออกหายใจเข้าไปรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยๆหายใจออกก่อนนะจะสบายกว่าหายใจเข้าก่อนลองทําดูสิสองอันไม่เหมือนกันลองดูใจลอยหรื อ, อยังใช่ลงไปนะให้คอยรู้อย่างนี้รู้จันตุไม่บังคับนะจนตุสบายดวงว่างไงดวง อะไรนะเออดีขึ้นถูกต้องแล้วรู้ตรงความเป็นจริงแล้วใช้ได้ดีแล้วแต่อย่าไปบังคับเขานะเขาดีได้เขาก็แย่ได้เขาสุขได้เขาก็ทุกข์ได้นะดูไปเรื่อยมันของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยไม่ใช่ฝึกเพื่อให้เที่ยงอา้าวจูนว่าไงเมื่อกี้ทำให้นุชรัตผิดหวังใช่ไ ไม่ใช่แล้วเตรียมต่อสู้แล้วพ่อหันมาทางจูนแทนเออนะพ่อไม่ให้ตั้งหลักหรอ ก, อกอเกอกกอเหรอเป็นยังไงด เ, ออเดี๋ยวเตรียมอัดไว้ <laughs> อืมเออเออนั่นแหละดีแล้วจก็เห็นแล้วันน่ยจนก็เห็นเลยว่าจนงใจละูกว่าจจะหแล้วจูเอว่าองไ้เออดีนะแต่ฝึกไปอย่างนี้ะดีแล้วฝึกรู้ไปอย่างที่เขาเป็นดีละวันนึงจะเห็นเลยไม่มีจูนหรอกก็คือจะรู้สึกว่าไอ้จูนมันไม่มีเหมือนเนตอนนั้นจีนก็เลยคาดหวัง่านั่นไงอยาก เห็นไหมเกิดความอยากก็คือตัณหาก็เกิดการกระทาคือความจงใจทาเจตนานั่นแหละเรียกว่ากรรมเกิดเจตนาความจงใจขึ้นมาก็เกิดการทำกรรมมีกิเลสคืออยากคาดหวังเกิดการกระทากรรมที่จงใจทาสติไม่เกิดหรอกกิเลสเกิดแล้วก็เมื่อกี้คุณนั่งอยู่ที่นี่ด้วยาะคุณแยกย้ย เออแล้วมก็แล้วมันกเลยถึงควแตกต่างามรู้ปรเสรขึ้นมอเอ อ, เ อ, อนั่นแหละดีแล้วดีแล้วนะดีแล้วใช้ได้ตื่นขึ้นมาแล้วหรื อ, อย่างว่าตื่นเป็นไงเห็นรสชาติของความตื่ น, ย, น, นยังเอ อ, อ, อใช่เพราะอะไรเพราะความทุกข์เกิดทีเผลอเท่านั้นคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วทุกข์ไม่ได้ดอกดีนะดีดีใจด้วยยังไง ปลื้มใจนี่นะใจแบบโอ้ยอัศจรรย์เห็นใครเขาภาวนาดีนะดีใจกับเขาไปทั่วเลย <c oughs> ทำไมไม่อิจฉาเขาบ้าง <c oughs> ตระกูลเรานี่ไม่เคยอิจฉาคนเลยเห็นใครดีแล้วดีใจดีใจอ้าวนุชรัตน์วันนี้มีหลายนุชนะ <c oughs> อ้าจับถูก นุชชรัตเน่ยระวังไว้อันเดียวนุชชรัตชอบฟุ้งซ่านชอบชิดฟุ้งฟุ้งอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยฟุ้งแล้วรู้สึกไหมจะเริ่มคล่าครวนแล้วรู้สึกไหมกําลังสวมมิญญาณคล่าครวญรู้สึกยังรู้ให้ทันนะเห็นไหมมันชอบคล่าครวนดูออกยังให้รู้ทันตรงนี้แหละเม่งนพอเป็นแก่แก่แล้วจะเป็นยายแก่ช่างคล่าครวนโอยจะร้ายยิ่งกว่นี้อีก ข้าครวนจนไม่มีใครเขาพบอ่ะเข้าใจไหมลูกหลานก็ไม่เอาใจคนนี้พูดมาก <c oughs> ให้รู้ทันไปใจมันจะข้าครวนก็รู้มันนะเป็นไงรู้ลงไปตรงๆแล้วนะหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมส่งมันทำไมอ่ะโยนมันทิ้งไปเลยใจถึงถึงเอยใจถึงไหมอยากส่ง อยากรู้เลยอย่าไปตอบสนองมันนิสัยมันเสียมันอยากรู้เหรอให้มันอดรู้ไปเลยแล้วก็คอยดูซิเคยจะเศร้าโศกไหมไม่เดือนร้อนอะไรเลยเนี่ยตื่นแล้วรู้ไหมเนี่ยภาวาแห่งความตื่นก็อยู่ตรงนี้อย่าไปวัวแต่าตามใจกิเลส น, นะใช่สิมันทำไมจะตื่นหุ่งขางคลมครามละ่ะ นี่แหละตื่นไปอย่างนี้แหละไม่ให้กันบ้านเราอ่ะโยนลงถังขยะไปเลยนะไม่มีความหมายอะไรเลยปัจจุบันสําคัญรู้ลงปัจจุบันเป็นขณะขณะนะพิเศษที่สุดหละมรรคผลนิพพานก็เกิดอยู่ในปัจจุบันขณะ น, นี้เห็นไหมใจเบิกบานไม่เห็นจะต้องส่งกันบ้านเลยถ้าส่งกันบ้านแเราจะฟุ้งซ่านจะยิ่งพูดเราก็ยิ่งมันใหญ่เพราะั้นโยนทิ้งไปแล้วก็รู้สึกเอา รูล้ลงปัจจุบันไปนะเนไมนเดนี้หลวงพ่อสอนแบบโหดร้ายไล่ฟันโชะโชฉโฉให้ตื่นเป็นคนๆไปเลยนะเอ้าป้าลวยพูดสัหน่อยเดี๋ยวกลุ้มใจเนี่ยดีใจแล้วรู้สึกไหม <c oughs> เห็นเห็นไหมอยากพูดเต็มทีละดูออก่อนดูซะ ก, ก่อนแล้วค่คุยทีหลังนั่งดูไปใครไม่อยากพูดบ้าง <c oughs> อ้าวโยว่ามาโยมากับใครมากับอาจารย์สรโอ้เป็นไงยโยลงกับงานของโมกฮึกเยมือบิดตลวานโอ้ทไมละ่ะอ่านแล้วมื อ, อยังไงอ่านแล้วมันเหมือนจิตมันยาไปทตามหนังสือเซนนะจะบอกความลับให้หนังสือเซนเขาไม่ได้อ่านเพื่อเอาไว้ทา หนังสือเซ็นนะนั้นมันจะต้อนหน้าต้อนหลังให้เราเลิกทำนะครับทำอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดผิด ผ, ดผดิไปหมดเลยนะก็เลยเลิอกอย่างพระสององค์เสียงกันนะเห็นลมพัดธงสะบัดเนี่ยนั่งเสียงกันว่าลมมันไหวหรือธงมันไหวอะไรอย่างนี้นเลาวลาอวันที่สามเนี่ยไม่ใช่ทั้งคู่จิตมันไหวให้หยุดคิดวัวแต่คิดเรื่องธงกับลมไม่รู้ตัว คําสอนในเซนนะโยสังเกตให้ดีคําสอนของเซนเนี่ยเขาสอนให้เราหยุดคิดเขาจะใช้คําพูดเนี่ยดักหน้าดักหลังไอ้นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นะแต่เราไม่มีอันไหนใช่สักนันถ้าเลิกไปเลยแล้วใช่ <c oughs> เพราะว่าพยายามไปอ่านแล้วพยายามคิดธรรมะไม่ได้มีเอาไว้คิดธรรมะมีเอาไว้รู้ <c oughs> <c oughs> ใช่อยู่เฉย <c oughs> ๆก็ดีแล้ หลวงู่ดูลยเคยพูดนะประโยคนี้อยู่เฉยๆก็ดีแล้วแบอบกเมื่อโอกาสที่จะทําความดีทั้งหลายมันผ่านไปแล้วอยู่เฉยๆก็ดีแล้วอา้าวยมรวยพูดได้เออดูอย์ไปมันอยากพูด เ, เห็นไหมเห็นไหมดีไหมไม่เห็นดีแล้วและไม่ต้องพูด ดวงเผลอไปแล้วรู้ไหมไปดูป้าหลวย mm hmm. ใจเราไปอยู่ที่เขาลืมตัวเองเอาคุณบุปผาเผลอไหม mm hmm. เ อ, อ้ตอบถูก mm hmm. นั่งฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตื่น น, ะนีไปคิดหรื อ, อยางกันตูตทำอะไร mm hmm. อ่ารู้ทันอย่าไปเกลียดมันนะคุณบรรจงอย่าจงใจ เล่นเล่นขยับก็ขยับเล่นเล่นนะขยับไต่นี่ใจต้องเบาถ้าขยับด้วใจหนักหนักทื่อๆ น, นะแสดงว่าจงใจทำละผิดละอ้าวคุณที่ฝึกอนาปนาสติใจลอยรู้จักไหมใจลอยล้วก็รู้ว่าใจลอยไปนะยังบังคับอยู่ใาบไหมพยบบายามบังคับตัวเองขณะ น, นี้สิ่งที่ผิดมีสองอันนะเถอไปกับบังคับไว้สองอันนี้ผิด เผลอไปแล้วทราบไหมแหวกไปนักรบทำอะไรนักรบ <c oughs> เออคิดจะรู้ทันใช่นี่ล่ะนี่ล่ะ <c oughs> เกลงหรื อ, อยังเออทำไมกลัวอะไ ร, รอยู่เนลูกสาวหลวงพ่อมนตรีกลัวใครไงจูนเผลออย่ง <c oughs> ใช่ใครมาเรียกจิบอยู่ข้างนอก อา้าวแก้วเป็นไงแก้ววันนี้กับเมื่อวานเป็นไงวันไหนดีกว่ากันแต่และ ว, วันยังไม่เท่ากันเลยแต่และเวลาก็ไม่เท่ากันแกดูออกแล้วใช่ไหมในวันเดียวกันก็นไม่เท่ากันดูไปเรื่อยๆนะแต่ไปใจเราไม่ทุกข์หรอกเราทาความดีมาเยอะแล้ว ค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวเราก็เดินไปจนได้เลยมันอยู่นะแต่มันย้ายเวลามันมาบ่ายๆมาสองตัวแล้วมันกลัวโยมหลวย <c oughs> กลัวว่ามันเส้นอยู่นี้เดี๋ยวโยมสติแตก <c oughs> นี่คุณบุกผาทำอะไร อ้านะรู้แปดนะห่างวัดไปมันก็จ่อยๆไว้หน่อยพอเข้ามาอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวก็ตื่นตัวขึ้นมาก็าจะตื่นตัวได้พักหนึ่งเอาคุณที่ฝึกลมหายใจอะทําอะไรเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ไปทําอะไรทราบไหมอหัดอย่างนี้นะเราไม่ได้หัดห้ามนะ ใจจะเผลอห้ามไม่ได้ใจจะรู้สึกตัวก็สั่งไม่ได้เมื่อรู้สึกตัวแล้วก็อยู่ได้ชั่วคราวก็ดับไปอีกก็หลงใหม่อย่างตอนนี้ยมาตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเราก็ลืมตัวเราเองอีกลืมกายลืมใจงั้นเป็นเรื่องธรรมดานะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้รู้ตลอดหรอกเราจะฝึกเลยเห็นว่าจิตที่เผลอไปเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับคือการเรียนศาสนาพุทธนะ อย่างนักลบเป็นนักวิชาการเรียนอย่างเวลาเราจะศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งเราหาตัวอย่างหาเคสมาศึกษาเป็นตัวแทนของความรู้ทั้งหมดเรียนศาสนาพุทธก็ศึกษาแบบมีตัวแทนเหมือนกันอย่างตัวแทนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยท่านซอยออกไปก็คือสติปัฏฐานทั้งหลายนั่นเองแค่รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกเนี่ยรู้แค่นี้ก็รู้ทั้งหมดได้ละ พอหายใจเข้าหายใจออกนะเราจะเห็นเลยร่างกายหายใจไปจิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราในแค่หายใจอย่างเดียวอารมหายใจมาเป็นเป็นตัวอย่างในการศึกษาแค่ศึกษาตัวเดียวนี่แหละก็บรรลุมรคผลได้หรือบางคนรู้อิริยาบทสี่เอาอิริ ย, ยาบทสี่มาเป็นตัวแทนในการศึกษาเป็นตัวอย่างที่จะศึกษา แทนที่จะต้องรู้รูปทั้งหมดก็มารู้รูปยืนเดินนั่งนอนนี่ที่เรียกว่ากายในกายที่เรียนยังมีตัวอย่างนะ น, นี่สุ่มตัวอย่างมาเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของความรู้ทั้งหมดที่เรียกว่าในกายในเวทนาในจิตเนี่ยไม่ใช่เรียนทั้งหมดแต่เรียนแค่บางอันซึ่งเป็นตัวอย่างอย่างเราจะทําแบบสอบถามอยากรู้ความเห็นของคนล้านคนทําไม่ได้เราก็สุ่มตัวอย่าง นี่ตัวอย่างที่พู้เจ้าให้สุ่มนะก็คือสติปัฏฐานนั่นเองอารมณ์ในสติปัฏฐานนั่นแหละแค่รู้กายที่มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเนี่ยก็จะเห็นเลยไอ้ร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเหมือนหุ่นยนต์เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจที่เป็นคนรู้ก็อยู่ต่างหากจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราอีกล่ะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจได้แค่ทําอันเดียวก็พอละ บางคนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายและการหยุดนิ่งไม่ว่าเจริญสัมปชัญญะบัพเพะรู้การเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นในร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งจะแยกกันกายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราเกิดปัญญาหรือบางคนท่านก็สอนให้สุ่มเรียนเวทนาความปวดความเมื่อยความสุขอะไรเงี้ย ไปเห็นในเวทนาก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งก็กระจายขันออกมาเหมือนกันแต่กระจายละเอียดกว่าการรู้กายนั้นเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยสามอย่างนี้เกิดขึ้นทั้งวันถ้ามันสุขมันทุกข์มันเฉยเฉยเรามีสติก็ ค, คือเรามีสติทั้งวันนั้นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างในการศึกษาของเราเปนอารมณ์ที่เกิดทั้งวันทั้งหมดเลยหายใจเข้าหายใจออกเกิดท hmm ั้งวันยืนเดินนั่งนอนเกิดทั้งวัน เคลื่อนไหวหยุดนิ่งเกิดทั้งวันสุขทุกข์เฉยๆเกิดทั้งวันหรือบางทีท่านก็ให้สุม่มบางคนจลิตนิสัยชอบคิดมากตัวอย่างของการศึกษาที่ท่านให้ทำก็คือดูจิตดูจิตว่าจิตมีทั้งส6บสิบหกตัวนะที่ใช้ในสติปัฏฐานหรือมีแปดคู่แท่จริงเรียนคู่ใดคู่หนึ่งก็ปฏิบัติได้ทั้งวันละเช่นจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะจิตเราก็มีสองประเภทเท่านั้นเอง จิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะนี่แบ่งโดยเอาโทสะเป็นตัวตั้งถ้าศึกษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเห็นเลยจิตที่มีโทสะเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตอ ก, กุศลจิตที่ไม่มีโทสะรู้ว่าตะกี้มีโทสะเป็นตัวแทนจิตฝ่ายกุศลแล้วจิตทั้งสองฝ่ายเมื่อแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นทั้งกุศลและอกุศลเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นการรู้จิตก็ทําให้รู้กายด้วยไม่ใช่รู้แต่จิตก็จะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก เป็นสิ่งที่จิตเข้ามาอาศัยอยู่กายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะหรือบางคนดูแค่จิตมีราคากับจิตไม่มีราคะสองตัวนี้ก็คลุมเวลาปฏิบัติทั้งหมดแนละ้วเาจิตก็มีสองพวกเท่านั้นเองจิตที่มีราคากับไม่มีราคะก็เป็นตัวแทนของการศึกษาจิตที่มีราคาเป็นตัวแทนของอกุศลจิตไม่มีราคาเป็นตัวแทนกุศลทั้งหมดเกิดระดับทั้งสิ้นเหมือนกัน จิตมีโมหะจิตหลงไปกับจิตรู้สึกตัวจิตไม่มีโมหะก็เป็นตัวแทนแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นควรแต่ละคนเนี่ยใช้อารมณ์กรรมฐานจริงๆใช้นิดเดียวอารมณ์กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเลือกให้เป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาถ้าตามรู้ตามดูเราก็จะมีสติตื่นขึ้นมาได้ทั้งวันสามารถเห็นกายตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเห็นจิตตามความเป็นจริงว่าจิตทุกอย่างเลยไม่เที่ยงนะ จิต ด, ดีหรือจิตเลวกุศลอกุศลเกิดระดับหมดเลยบังคับก็ไม่ได้เลือกก็ไม่ได้ดนะ้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่างนี้เ ร, เรียกว่าธรรมาวิจยัยเราวิจัยธรรมะวิจัยธรรมะไม่ได้เรียดทั้งหมดเห็นไหมเราเลือกตัวอย่างของการศึกษาขึ้นมาเป็นเค s e study เพรฉะนั้นวิชาการสมัยใหม่นะตามหลังมาก <c oughs> วิธีการศึกษานะโออัศจรรย์นะพระเจ้า ท่ามกลางคนที่ใช้ศรัทธาพระเจ้าเกิดปัญญาได้ขนาดนี้เห็นไหมคุณชัดไหมจิตมีโมหะหลงไปทันทีที่รู้ว่าหลงก็จิตที่รู้สึกตัวจิตที่มีโมหะดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวจิตที่รู้สึกตัวอยู่ได้ชั่วขณะก็ดับไปกลายเป็นจิตหลงไปครั้งใหม่หรือไม่ก็ไปเพ่งเอาไว้มีสองอันถ้าไม่เผลอก็เพ่ง เนไหมคุณชัดตัวไหมจิตนีไปคิดนะคุณบุปผาทําอะไรธรรมะไม่เอาไว้คิดนะไว้รู้สึกเอารู้สึกกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆนะักนะรบทําอะไรนะักรบเออตับถูกหนะลงคิดหลงคิดเต็มหลงไปตัวไมนะนะ่งั้นเดี๋ยวเราจะบอกคิดมันเรื่องธรรมชาติ เต็มหลงไปตัวป้อทำอะไรเออหลงปฏิบัติดีดีที่รู้นะไม่ใช่ดีที่หลงเดี๋ยวจะอัดเทปไปแล้วคนไปฟังโอ้หลงปฏิบัติก็ดีหลงไม่ดีทั้งนั้นทำอะไรทำอะไรเออหลงทำนะตอบถูกนี่ลูกสาวหลงพ่อมนตรีตอบถูกลูกเคยหลงพ่อมนตรีใจลอยไปแล้ว ไหมไปดูเขาหรือตัวเองเนีย่ยฝึกไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้ทำอะไรนึกออกไหมนยใจมันหลงออกมานะหลงมันหลงไปหาหลวงพ่อแล้วก็หนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็คอยรู้ไปเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยก้าวเป็นไงก้าวโอ้อะไรนะเออตับถูกแม่ทั้งชั้นนี้ เรียนได้ดีหมดทุกคนเลยเอ้อยว่าไหมเมื่อเรียนได้ดีก็ควรจุติแล้วสิใช่ไหมไปทําเอาเรียนจากหลวงปู่ดูล น, นะสาร ส, า ร, สารนนะสอรเสร็จแะเข้าใจไหมเข้าใจถ้าตอบเข้าใจไปไปทําเอานะไล่เลยนะเสียเวลาหลวงพ่อนะใช้เวลาเรียนจากครูบาอาจารย์น้อยที่สุดเลยไปถึงก็ไปถามถามถามถามเสร็จแล้วนะไปละไม่เอาละ แล้วเรื่องที่ถามมีประโยคเดียว่ะที่หลวงปู่สอนมาอย่งงางโน้นผมทำมาอย่างเนี้ยถูกไม่ถูกถ้าไม่ถูกช่วยช่วยบอกหน่อยถ้าถูกแล้วช่วยบอกกรรมาฐานที่ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกแล้วครูบาอาจารย์ก็จะตอบเหมือนอัดเทปนะถูกแล้วทําต่อไปอย่าทําอะไรมากกว่านี้นะอย่าทําอะไรเกินจากการรู้ก่อนที่จะเข้ามารู้ได้นะ่ะต้องทําอะไรเยอะแยะเลยหาทางที่จะรู้ แต่พอรู้ขึ้นมาได้แล้วอย่าทำอะไรขึ้นมาอีกนี่พวกเราหลายคนเริ่มต้นต้องไปกําหนดลมหายใจก่อนต้องทำในอย่างน้นอย่างนี้ก่อนเพื่อให้สติเป็นเกิดเมื่อสติเกิดเราไม่ต้องทำอะไรนะคอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกวันก็มีรูปแบบของการปฏิบัติห้ามทิ้งถ้าทิ้งแล้วใจจะอ่อนแอเดี๋ยวเหมือนคุณบรจงบอกนะมันจะเฉื่อย นั้นทุกวันทุกวันเราจะคอยรู้นะว่ายกลางวันเนี้ยรู้ไปเรื่อยก่อนนอนนะว่าปลระ ส, สวดมนต์ทาสมาธิเดินจงกรมนะทาสม่ำเสมอทําไมไม่ให้ทําทั้งวันเราต้องทามาหากินไงคุณชาติหนีไปไหนวันนี้ทําไมมากันสองตายายลูกหลานญาติมิตรหนีไปหมดคุณยาวเป็นไงคุณยาว ตอนที่วัดขาแรือปล่าตอนที่เอาหมดทั้งปีียนารู้พ่อเกษตอ๋อไปอยู่อยุธยาเขาครูเกษตรเกษตรก็คอยดูไปเรื่อยปากคุณยาวไปดูฝึกไปฝึกไปเพ่งไม่เพ่งฝึกแล้วไปฝึกเอาเพ่งเข้ามารอเปล่าอะไรเงี้ยครสังเกตไปเรื่อย ่ายคุณบุพภานะใครรู้สึกไปนะรู้สึกเนะี่ยตั้งใจแล้วทราบไหมนะให้รู้ทันนะตั้งใจเอาคุณพานชชื่อเหมือนวัดที่คุณยาวอยู่ <c oughs> เออตับถูกใช้ได้ใช้ได้เป็นไง <c oughs> มันก็มีแค่นั้นแหละ แล้วโย่อว่า ย, โย่วงยังไม่เพ่งหร้วนะรู้สึกเรารู้สึกใจเราไปเพ่งเรารู้ว่าเพ่งสิ่งที่ผิดมีสองอันอันหนึ่งเรียกว่ากามสุขขริกานุโยกอะไรคือกามก็คืออารมณ์ที่มายั่วให้ใจเราหลงนั่นเองเรียกว่ากามเช่นรูปที่สวยเป็นกามมาล่อให้ใจเราหลงเสียงมาล่อให้ใจเราหลงนี่เรียกกาม กระทั่งความคิดของเราเอ ง, งเป็นกามได้คนก็คิดคิดแล้วก็เพลิดเพลินไปนี่สิ่งเหล่านี้มายั่วนะให้เราหลงถ้าเมื่อไหรเราหลงในกามคือหลงในอารมณ์ที่มายั่วเราจะลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมเวลาอย่างตอนเนี้ตั้งใจฟังของพ่อรู้สึกไหมเราลืมเรานั่งก็ไม่รู้แล้วใจเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้งั้นเมื่อไหร่เราหลงเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเอง อันที่สองที่ผิดนะเรียกว่าอัตกิลมัทฐานิโยกการบังคับตนเองการกดข่มตนเองการทําตนเองให้ลําบากนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับตัวเองคุณนึกออกไหมอย่างเราหายใจมาแต่เกิดไม่เหนื่อยนะ้อเราไปฝึกกําหนดลมหายใจมักจะเหนื่อยหรือเราบังคับตัวเองรู้สึกไหมตัวเราแข็งแข็งร่างกายเราก็แข็งแข็งใจเราก็แข็งแข็งมบนงที ตอนที่เราไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติร่างกายเราก็สบายๆจิตใจเราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาแต่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราเริ่มตรึงความรู้สึกของตัวเองให้มันนิ่งนะการตรึงให้มันนิ่งเนี่ยมันจะทําให้เราไม่เห็นใจรักษณ์อย่างใจของเราเราไปเพ่งให้นิ่งนะมันก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นเองไม่มีใจรักษณ์ให้ดูแต่ถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกไปนะหายใจไปเราเห็นร่างกายที่หายใจไป บางทีก็เหตุจิตหนีไปเนี่ยเราก็รู้ทันจิตหายใจไปแล้วมีความสุขเราก็รู้หายใจไปแล้วอึดอัดเป็นทุกข์เราก็รู้หัดค่อยรู้ค่อยดูไปเฉะนั้นหายใจไปเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวก็รู้จิตนะหมุนเวียนไปได้ไม่ได้บังคับแต่ถ้าเราไปบังคับให้นิ่งมันจะไม่มีไตรลักณ์ให้ดูเช่นเราไปกําหนดลมหายใจนะ ไม่ยอมดูโลกข้างนอกไม่ยอมคิดอะไรเลยรู้แต่ลมหายใจอันเดียวเนี่ยใจเราจะนิ่งนิ่งยิ่งฝึกไปจนแกนะ่ยิ่งนิ่งเก่งเราจะรู้สึกว่าจิตนี้เป็นของบังคับได้จะรู้สึกว่าจิตเป็นของบังคับได้แทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตานะกลับไปเห็นว่าจิตเป็นอัตตาเฉั้นพอเราฝึกชาญมากพวกที่เล่นฌานมากๆบางทีเลยเห็นว่าจิตนี้เป็นอัตตา พอร่างกายนี้ตายจิตนี้ก็ออกจากร่างนี้ไปรวมกับบรมอตราตตาสารมาตามันรวมเข้ากับพลมเราคิดว่ามันเที่ยงมันถาวรแต่การเจริญสติอย่างศาสนาพุทธเนี่ยเรียนให้เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเห็นในใจเราเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้นะก็ให้เห็นใจรักนะไม่ใช่เรียนให้นิ่งหนอกจูนทําอะไร คุณอยากจะลียเพรารู้สึกโล่งมากแล้วทำก็ทำไปสมถะก็พักได้คุณบุปผาไม่จงใจนะทำสบายๆไม่ได้ปฏิบัตินะไม่ต้องปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วมันทุกข์ตรงนี้สบายกว่าตะกี้ดูออกไหมตรงนี้มันโล่งขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ทำแต่ถ้าเราทำเราจะทุกข์นะ งางดวงง่วงนอนไหมนุษยนี่นุดนี่เป็นไงอือเป็นไงวันนี้เนี่ยนักรบดูไหมทำอะไรสากทีกเออบางท <c oughs> ีเราก็หลงไปดูมันจงใจจะปฏิบัติอนะจงใจไปหาอะไรดูมันนะ <c oughs> แลต้ก็ใครรู้ไปเรื่อยแล้วก็ดีขึ้นนะ ไปซุ่มที่ออสเตรเลียเลยดีขึ้น ม, ม่อนั่นแหละไม่ต้องทำอะไรนะยืนเดินนั่งนอนคอรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกเล่นเล่นแล้นี่หันผักหรื อ, อยังโอ้วันนี้มีน้อยสบายสามวันนี้นะ่สบายหน่อยอแต่ก่อนหน้านั้นนะเหนื่อยเนื่ยมีพวกเจ้าคิดสุดีมาพยายาม จะเอารวมการเจริญสติเข้ากับการบำเพ็ญบารมีของโพธิสัตว์นีไมาชวนคุยเรื่องนี้นักเวียนหัวไปตีกับใครมาบ้างยังวันนี้ยังเกือบนะใครพูดอะไรก็ช่างเขาแล้วก็ลุยเราไปเลยคือเขาไม่รู้เขาก็หวังดีแต่เขาไม่รู้เงื่อนไขที่เราต้องเผชิญ อย่างภารกิจหลักของเราก็คืองานเผยแพร่อย่างคนที่มาเรียนจะหมุนเวียนหนึ่งี้วัดมันไม่ใช่การหมุนเวียนอะวัดมันส่วนมากฟิตอยู่กับที่ถึงขนาดมีระเบียบเลยนะต้องมีพระประจำห้าองค์อะไรเงี้ยแล้วภาระเยอะเยอะเดี๋ยวก็ประชุม <laughs> เดี๋ยวก็ไปจัดกิจกรรมทําไปนะเป็นที่ของเอกชนแนละทําไป แล้วก็เดือนตุลาทำหนังสือไปให้เจ้าคุณโปโวเซนขอพระมาอยู่ขอพระมาสอนกรรมฐานก็คือสมทานส่งคนไปเผยแร่พระก็ไปเผยแร่ได้อย่างวัดไทยในยุโรปในอเมริกาไม่ใช่วัดหรอกเป็นบ้านคนนั่นแหละเยอะเลยที่เป็นวัดมีนิดเดียวมีไม่กี่แห่งอะ แล้ว น, นั่นก็เป็นบ้านแต่ทางคณะสงฆ์ส่งพระไปเพื่อเผยแคล่นเราก็ทำไปนะแล้วก็ทำหนังสือไปขอบพระเจ้าคุณโปลนะอย่างหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้อุปชหยมาอยู่ใครจะว่าก็เชิญไปว่าอุปชาสิทำอะไรพอจะรู้ยังว่าเป๋าเป็นไง ทราบไหมเพ่งเป็นไงของคุณอย่างติดเพ่งนะของคุณถ้าเผลอไปคุณรู้ทันมันจะตื่นขึ้นมาแต่เพ่งเนี่ยทั้งๆที่รู้ก็ไม่หลุดออกมาะให้คุณรู้ว่ากําลังเพ่งอยู่ถ้าใจเราอยากเลิกเพ่งให้รู้ว่าอยากเลิกเพ่งให้รู้ทันที่ใจเราถ้าใจเราเป็นกลางหมดความอยากเลิกเก็บเพ่งนะมันจะหลุดออกมาเลยจะตื่นขึ้นมาพาคุณตื่นขึ้นมาคุณจะพบ ความอัศจรรย์ใจมันจะโล่ง ม, มันจะเบามันจะสว่างรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างขึ้นมาในฉับพลันเลยแต่สภาวะ น, นี้ก็เกิดชั่วขณะก็ดับเพราะสภาวะแห่งความรู้ตื่นก็เกิดชั่วขณะเหมือนกันเป็นใจรักเหมือนกันก็ดับไปเราก็จะหลงครั้งใหม่หรือไม่ก็ไปเพ่งใหม่มีสองอันไม่มีอย่างอื่นออกที่ผิดมีแค่นี้แหละถ้าเมื่อไรคุณรู้ที่ผิดนะเดี๋ยวคุณถูกเองคุณอย่าพยายามทําตรงที่ถูกนะ โดยนิสัยคุณจะพยายามทำให้ถูกต้องระวังถ้าเราอยากทำให้ถูกให้รู้เลยอยากทำถูกแล้วคนอีสระบอกอยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงกวายถามว่าทำยังไงไม่รู้ทำไม่ได้ไม่มีนย่ที่ถูกทำไม่ได้นะแต่เมื่อไรรู้ที่ผิดเมื่อนั้นจะถูกเองอานุชรัต์เป็นยังไงวันนี้เออใช่ ตับได้ตรงความเป็นจริงใช้ได้ใช้ได้เห็นไหมใจดีนะง่วงก็ไม่ว่านะดูหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ปางองนะง่วงเหรือไปเดินเดินทั้งวันทั้งคืนอยากกินเหรออดเลยอดข้าวสามวันมันอยู่ที่จริตคนนะบางคนทำอย่างหลวงอาแล้วหงายท้องเลยนะ เออทำไม่สำเร็จแต่ว่ามันอยู่ที่จดิตคนอย่างหลวงพ่อนะเคยพาพักพวกกันไปที่หินมักเต้งแปภาวนาตอนนั้นหลวงปู่เทศยางอยู่มีพี่คนหนึ่งเขาก็เห็นหลวงพ่อนะเดินเล่นทั้งวันเลย <c oughs> เดี๋ยวก็ไปชมแม่น้ำโขงโอ้นกสวยนะต้นไม้สวยอะไรเงี้ยนะแม่น้ำสวยเนี่ยพวกนี้ก็ น, นั่ง เราเป็นต า, ายนะหรือเดินมุดมเดินดดดทั้งวันทั้งคืนเลยหลวงพ่อเดินเล่นทั้งทั้งวัดเลยพอเช้าขึ้นมาเข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่โอ้ดีภาวนานดีอ่เนี่ยค่อยค่อยทำไปนะค่อยค่อ ย, อยศึกษาไปหลายวันเข้าวันท้ายๆนะบุกเข้าไปหาหลวงปู่เลยหลวงปูเ่เจ้าค้าต่อไปนี้หนูไม่ปฏิบัติละอ้าวทาไมยังไม่ปฏิบัติ คุปลาโม่อะมาเห็นปฏิบัติในยหนูปู่ชมเอาชมเอาหนูทําแทบตายไม่ชมเลยหนูปู่บอกเขาปฏิบัติไม่ใช่เขาไม่ปฏิบัติคือเขาคิดว่าการปฏิบัติอยู่ที่ท่าทางร่างกายการปฏิบัติจริงๆอยู่ที่ใจนะฮะร่างกายเป็นตัวประกอบเฉพาะนี้แกก็เลยเลิกไปเลยคนเนี้ย <c oughs> บ่อยระวังนะบ่อย ตุกมันเฉียดความเป็นความตายมานะภาวนาดีขึ้นเยอะเลยทำท่าจะแสงบ่อยเอาแล้วนะบ่อยรู้สึกไหมจิตบ่อยมันหนักกว่าตุกนิดหนึ่งมีน้ําหนักอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมละ่ะดูไม่ออกหรอกเพราะเขาเนี่ยนะละเอียดกว่าบ่อยแล้วล่ะตอนเนี้เพราะงั้นบอยนี่ไปผ่าสมองซะ <c oughs> ดีแล้วนะสองคนอ่ะสูสีกันเลยหลวงพ่อก็พูดไปกันแหละพูดให้กำลังใจให้กำลังใจบ่อยให้ลดลง <c oughs> สองคนนี้ดีแล้วนะดีทำไปไม่พ้นมือหรอกโยอย่าทำนะกบเป็นไงกบ ให้รู้เลยกำลังสงสยัยรู้ลงปัจจุบันไปเออนะดูให้มีสติร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันเราก็เกิดสติจิตเคลื่อนไหวเรารู้ทันก็เกิดสติเกิดอันเดียวกันเมื่อจิตเกิดสติขึ้นมาแล้วเนี่ยกุศลทั้งหลายก็จะตามมาเป็นแถวเลยเราจะเกิดทีริโอตัปปะละอายที่จะทำบาปกลัวที่ต่อผลของบาป เราจะเกิดอินทรียสังวรเราจะคอยรู้สึกตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความหวั่นไหวเกิดที่จิตเราจะคอยรู้ฐานมารู้เองเลยว่สติมันเกิดใจมันจะมีศีลขึ้นมาเป็นปกติใจมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่เป็นสัมมาสมาธิก็ะจะเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจก็จะเกิดวิมุตต์ปล่อยวางความยึดถือกายถึงยึดถือใจ งั้นอยู่ที่ความมีสตินี่แหละแต่อย่าไปติดแต่เปลือกมันเส้นใหญ่ไปติดอุบายจะลืมหลักลืมรู้ว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติกลายเป็นปฏิบัติเพื่อจะปฏิบัตินะเช่นหายใจจะต้องไม่ให้เผลอเลยดูท้องผองยุบต้องไม่ให้เผลอเลยอย่างเงี้ยเพื่อจะบังคับมันจูนทําอะไรเออมันนานไปหน่อยนึงนะ เจอได้นะแต่อย่านานนานแล้วน่าเกลียด <c oughs> รู้สึกไหม <c oughs> เวลามันนานนะัมันน่าเกลียดหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่านะอุย้ยหาใครสอนซื่อๆตรงๆอย่างหลวงพ่อหาอยากนะ <c oughs> บางคนมันโมโหสิสอนดีๆเนะี่ย <c oughs> บางคนมันโมโหหลวงพ่อมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่เลิกเลยเไปตีกับเขา โยทำอะไรฮองโงคฮองโ ค, น ค, น ค, นคนไม่เอานะได้อ่านได้จนแน่นเลยอะไรนะเละสิเคยสั่งโยไว้หลายทีแล้วอย่าไปทําอะไรอย่าไปทําอะไรเกินแต่การรู้ไปธรรมะเม <c oughs> ื่อก่อนเนี้ยมาเรียนกับหลวงพ่อนะพอออกจากวัดหลวงพ่อก็ไปเรียนกับอีกท่านหนึ่งพอกลับมาหาหลวงพ่อ นั่งแก้แก้ไปตั้งหลายเดือนน ะ, ะตื่นขึ้นมานะเอาอีกลแล้วแเดียวไปเรียนอะไรใหม่อีกแล้วนระู <c oughs> ้ตัวนะเผลอนะไม่เพ่งอย่างนั้นไม่ส่งจิตออกนอกอย่างนั้นนะรู้สึกอย่าให้จิตหลุดออกจากตัวเรานะอย่ามาสนใจจิตใจหลวงพ่อดูจิตใจของเราเองรู้สึกของเรานะรู้สึกไปพรายัาง <c oughs> มีนักรบองคนเดียวบอกพอเป็นเสียงข้างมากหรือข้างน้อยโอ้หลูพ่อไม่เหนื่อยนะมีลูกย์อย่างนี้ดูสิหันไปดูเลยไ อ, อย้ดูสิโอ้สว่างสวัยเท้านะาเลยเห็นไหมรู้สึกนะรู้สึกดูของเรานะอย่าดูออกนอกดูของเราดูเข้าไปข้างในสังเกตดูพระพุทธรูป ไมพระพุทธรูปจะมองต่ำๆเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการดูตัวเองเราจะคอยดูตัวเราเองนะไม่ดูออกนอกการดูออกนอกไม่ดีจิตคุณมีสมาธิคุณดูออกนอกเดี๋ยวคุณจะไปเที่ยวเห็นอะไรข้างนอกนะจิตมีสมาธิเอาไว้ค่อยดูทีหลังนะของเล่นเอาไวท้ทีหลังเอางานหลักให้เสร็จก่อนนะของคุณสร้างอบรมจิตใจมาเยอะแล้วนะอย่าไปเล่นข้างทางเสียเวลา เอาของจริงให้ได้ก่อนของเล่นมันตามมาเอ ง, งางบอยพอสบตาหลวงพ่อก็ยังเกรงได้อีกภาวนาดีแล้วล่ะแล้วกูหายไปไหนงายตุ๊กรู้สึกไหมใจไม่สว่างเท่าเมื่อกี้ดูออกไหมโมหะมันแทกนิดนิดแค่รู้นะแค่รู้คอยรู้สึกใจสงสัยทราบไหม ใจจะนีไ่คิดก็นะรู้ทันลงไปเลยรู้ทันอาการที่จิตไปคิดแล้วก็จะตื่นขึ้นมาถ้ารู้ไม่ทันมันจะไปรู้เรื่องที่จิตคิดถ้ารู้เรื่องที่จิตคิดมันจะหลง <c oughs> นายหลวงพ่อต้องทาผุดในตัวนะไว้หันนะ <c oughs> หันทรงนี้ก็ตื่นทรงนี้ตื่นเนะอาคล้อยหลงังปุ๊บหลับเนี่ย เวลาไล่ปไปนะอย่างนี้จะเริ่มตื่นเป็นแถวนะดักหน้าหลวงพ่อหน่อยฝักไฟหลังก็เอาแล้วหนีเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเดียวเด็กหลวงพ่อคืนหลวงพูดดูนไม่อยู่แล้วช้บไปวัดหลวงพ่อคืนกลางคืนนะนั่งสมาธิในศาลาสี่สิบห้าสิบคนหลวงพ่อต้องแอบไปจองข้างฝาไว้ก่อนเอาไว้นั่งพิงเรามันว่วน นั่งอย่างนี้ไม่ไหวใไปนั่งพิงๆนั่งรถไฟมนาะทั้งคืนเลยนะถ้าเช้าไปวัดท่านอย่างเงี้ยเช้าก็ภาวนาทั้งวันเลยตกค่าท่านเรียกประชุมปฏิบัติอ๊ยเราจะหลับไม่หลับแหละพ อ, อท่านไล่เลยไปเราก็หลับไปงิบหนึ่งพอท่านใกล้จะกลับมาอ้วเราก็ตื่นข <c oughs> ึ้นมาเราคิดว่าเจ๋งแล้วนะเพราะว่ามันมืดไม่มีแสงสว่างเลย พอใดๆรอบก็โดนท่านเปิดโปงแหมอายเขาอายเขาเลยไม่กล้าหลับเลยอยู่กับครูบาอาจารย์แต่ก่อนสนุกสนุกมีของเล่นเยอะยมหลวยกลับมาป่อกลับมาจิบทำอะไร ของคุณทำอะไรอยู่นึกออกไหมเมื่อกี้ทำอะไรบอกหลวงพ่อสิเมื่อกี้ไปทาอะไรใช่ใช่ใช่นะดีนะดีที่เห็นนะใค ร, รู้ของเราเรื่อยๆเอาให้พ้นทุกข์ก่อนนะเพราะสมาธิเราเยอะถ้าเราดูออกนอกเดี๋ยวไปรู้ไปเห็นข้างนอกไม่ดีรู้เห็นข้างนอกง่ายแต่พอเราไปรู้ไปเห็นสิ่งภายนอกแล้วจะกลับเข้ามารู้สึกตัวนี่ยากที่สุดเลย เพาใจใจใจมันชินที่จะไหลออกนอกดังนั้นฝึกไหลออกนอกนี่ง่ายแต่ฝึกให้กลับบ้านยากมันครๆเด็กอะ่ะเด็กมันนีไปเที่ยวเด็กมันใจแตกเน้อง่ายแต่พอมันใจแตกแล้วนะจะพามันกลับบ้านลาบากเราฝึกของเราก่อนอเชื่อหลงพ่อเอะอย่าไปเล่นอะไรเลยนะขานิดรู้สึกคุณบรโจงกลับมาไกลไปหน่อย โย่ไงคุณชัดพออย่างถามผู้อาวุโสอ๋อเสียงส่วนใหญ่ เ, เป็นเสียงเงียบเรามาเรียนลักษศาสตร์่อนเลยเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงเงียบเขาเหฮข้างไหนเขาเหฮ